การปฏิบัติจริงๆแล้วพยายามรู้สึกตัวขั้นแรกสุดเลยรู้สึกตัวบ่อยๆในโลกมันไม่มีคนรู้สึกตัวมีแต่คนลืมตัวจิตใจเลื่อนลอยฟุ้งซ่านไปวันหนึ่งวันหนึ่งนะพอถึงเวลาปฏิบัติก็มาบังคับจิตที่ฟุ้งซ่านให้สงบกลับข้างกับที่เคยทําเวลาไม่ได้ปฏิบัติก็ฟุ้งไปเรื่อยๆเวลาลงมือปฏิบัติก็บังคับให้นิ่ง เขาคิดว่าการปฏิบัติกับการใช้ชีวิตจริงๆมันโคดลานกันกลับข้างกันถ้าอยู่กับโลกก็ต้องหลงโลกนะถ้าปฏิบัติธรรมก็ต้องบังคับเอาไว้จริงมันไม่ได้เป็นอย่างนั้นหรอกการปฏิบัติธรรมนะั้นถ้าเราเจอปฏิบัติให้สมควรจะทำนะจะไม่มีการแบ่งเวลาตั้งแต่ตื่นจนหลับนะั่นคือเวลาของการปฏิบัติทั้งหมดเลย ยกเว้นเวลาที่ทำงานที่ต้องคิดนั้นจำเป็นเราอยู่ในโลกที่ก็ต้องทำงานที่ต้องคิดยิ่งคนรุ่นเรานีสมัยนี้ไม่ได้ทำไร่ทนานาเ้าใช้ความคิดหากินเวลาที่เราคิดนะเนี่ยเจริญสติไม่ได้สติสมาธิปัญญามันออกนอกหมดไปจดจ่ออยู่กับงานแต่เวลาที่เหลือเนี่ย เป็นเวลาที่ต้องปฏิบัตินะไม่ใช่เวลานี้ชั่วโมงนี้เวลาปฏิบัติเวลาที่เหลือไม่ต้องปฏิบัติถ้าคิดอย่างนี้นะการปฏิบัติจะเนิ่นช้ามากเลยเอาดียากเมื่อก่อนหลวงพ่อไปหาครูบาอาจารย์ไปส่งกันบ้านนะพวกพระที่มานั่งฟังนะฟังแล้วท่านเราออกจากครูบาอาจารย์มาแล้วท่านมาถามยมทำได้ไง พระทำ0ิปี2ี่ปีนะเหมือนโยมทำปีเดียวอะไรนีนะ่บอกผมทำตั้งแต่ตื่นจนหลับทำทั้งวันเลยเราไม่แยกชีวิตเราเป็น2 ส, ส่วนนะว่าชีวิตเวลานี้เป็นเวลาปฏิบัติเวลานี้ไม่ต้องปฏิบัติเราต้องรู้ก่อนว่าภารกิจหลักในชีวิตของเราเนี่ยก็คือการพัฒนาจิตใจของเราไปสู่ความพ้นทุกข์นี่เป็นงานหลักของชีวิตเลยต้องพ้นทุกข์ให้ได้ เรื่องอะไรเกิดเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์แบบนี้จะต้องปล่อยชีวิตให้จมกว่ความทุกข์เรื่อยๆไปหาสาระแก่นสารไม่ได้คนเราไม่ได้เกิดมาเพื่อจะหาอยู่หากินนะเพื่อจะมีลูกมีหลานอันนั้นหมามันก็ทำเป็นคนเรามันสูงกว่านั้นเป็นมนุษย์นะใจมันต้องสูงขึ้นมางานของเราข อ, ของมนุษยนะ์มนุษย์ว่าผู้มีใจสูง งั้นภารกิจของเราก็คือพัฒนาใจของเราขึ้นไปเรื่อยให้มันสูงขึ้นเรื่อยให้มันไกลจากความทุกข์ออกไปเรื่อยนี่งานหลักคืนนี้งานรองก็คือการทำมาหากินเลี้ยงครอบครัวอันนี้เพื่อจะอยู่กับโลกทำมาหากินนะ่าร่ำรวยแค่ไหนนะมันก็อยู่ชั่วคราวเดี๋ยวสมบัติ น, นี้ก็เป็นของคนอื่นลูกเราอะไรนี่เลี้ยงไว้อย่างดี วันหนึ่งก็ไปเป็นสมบัติของคนอื่นธรรมะนะี่เป็นสมบัติติดตัวไปข้ามภพข้ามชาติไปแล้วเรารู้ว่าอะไรเป็นงานหลักอะไรเป็นเครื่องอาศัยงานหลักของเราคืองานพัฒนาจิตใจของเราให้สูงขึ้นไปงานสนับสนุนงานเป็นเครื่องอาศัยก็หาอยู่หากินเลี้ยงครอบครัวอะไรไปทำความดีต่างๆสงเคราะห์โลกไปช่วยเหลือผู้อื่น ในบางคนไม่เข้าใจคิดว่างานอาชีพเนี่ยเป็นงานฝืนใจต้องทําอยากทําให้เสร็จเร็วๆเพื่อได้มีเวลาว่างๆมีเวลาว่างไม่ได้อาไปพอนาะเอาไปเที่ยวอไปเล่นไปสนุกสนานเพลิดเพลินคิดว่าเป้าหมายหลักของชีวิตนะัคือความหาความสนุกสนานเพลิดเพลินคนใหญ่ส่วนใหญ่ไม่คิดอย่างนี้นะชอบพูดคําว่ากําไรชีวิต ได้ไปเที่ยวมันดิฟอะไรเงี้ยนะเป็นกําไรชีวิตได้ไปโน้นได้ไปนี่เป็นกําไรชีวิตได้กินโน้นกินนนี้ก็เป็นกําไรชีวิตมีเมียหลายคนเป็นกําไรชีวิตโง่หลายเนาะไม่ขาดทุนยับเยินไม่รู้ตัวเลยนกําไรไม่ได้หรอกมันได้มาแล้วมันก็เสียไป ไม่เห็นมันจะคงตัวอยู่ได้เลยกำไรชนิดที่ได้แล้วก็หลุดมือไปตลอดเวลาเที่ยวแสวงหาความสุขนะเป็นกำไรชีวิตความสุขนั้นหลุดมือหายไปตลอดเวลาเหมือนเมือนจะได้นะแล้วก็หายไปทุกครั้งนะความสุขของแท้ของจริงคือธรรมะได้มาแล้วนะครอบครองเต็มหัวใจนะมีความสุขไปจนวันตายเลย แก่แค่ไหนก็ยังมีความสุขเจ็บแค่ไหนก็มีความสุขพลัดพรากจากสิ่งที่รักเจอสิ่งที่ไม่รักก็ยังมีความสุขอยู่ได้ปีไกลน้ำท่วมได้ฝึกดีก็มีความสุขปีนี้เกิดแผ่นดินไหวก็ยังมีความสุขได้ก็มีความสุขได้คนสแสวงหาความสุขนะั้นแต่ไม่ฉลาดพอไปหาความสุขชั่วครั้งชั่วคราว ถ้าเราต้องหาความสุขที่แท้จริงคือยกระดับใจของเราขึ้นไปเข้าหาธรรมะไปได้วยนะทำทานรักษาศีลอะรพวกนี้ทําบารมีทั้งหลายสร้างบารมีทั้งหลายนะนะั้นล้วนแตเป็นเครื่องขัดเกลากิเลสเป็นเครื่องทําให้ใจเรากล้าสละเพื่อธรรมะอย่างทําทานนะบารมีกล้าสะละกระทั่งชีวิตนะเพื่อธรรมะ เน่ฆ a m บารมีอย่างเงี้ยกล้าสละกามเพื่อธรรมะขันติบารมีนะอดทนอดกลัน้นต่อความทุกข์ยากทั้งปวงเพื่อธรรมะลงมาเพื่อธรรมะทั้งหมดนะเพื่อลดละความเห็นแก่ตัวนี่เราลงมาตั้งใจใหม่นะว่าชีวิตนี้งานหลักของเราคือการปฏิบัติธรรม งานร้องก็คือทามาหากินเลี้ยงครอบครัวตามหน้าที่ของแต่ละคนซึ่งเป็นงานชั่วคราวเลี้ยงพ่อเลี้ยงแม่ก็เลี้ยงชั่วคราวไม่นานพ่อแม่ก็ตายไปหรือเราก็ตายจากพ่อแม่เลี้ยงลูกก็ชั่วคราวไม่นานลูกมันก็หลุดมือไปไปอยู่ที่อื่นไปเป็นของคนอื่นอะไรๆชั่วคราวก็รู้มีหน้าที่ต้องทำก็ทำไป นี่การปฏิบัติทำยังไงถึงจะดีเราปฏิบัติตั้งแต่ตื่นจนหลับถึงจะดีนะเวลาที่ต้องคิดก็คิดงานไปก็แล้วแต่เพอหมดเวลาที่จะต้องคิดเรื่องงานนะมีสติไว้รู้สึกอยู่ในกายรู้สึกอยู่ในใจนะตั้งแต่ตื่นจนหลับเนี่ยรู้สึกไปด้วยการทำในรูปแบบหรการปฏิบัติในชีวิตประจำวันก็คือการปฏิบัตินั่นแหละ การทำในรูปแบบก็คือเป็นบางทีก็ลดถัดสะบางส่วนลงไปเช่นเรานั่งสมาธิเราไม่ต้องใช้ตาไม่ต้องใช้หูไม่ต้องใช้จมูกไม่ต้องใช้ลิ้นไม่ต้องใช้กายเหลือใจอันเดียวแต่ถ้าเราปฏิบัติในชีวิตประจำวันนี้เราใช้อายตนะทั้งหครบเลยตาหูจมูกลิ้นกายใจใช้ครบเวลาที่ปฏิบัติ ในรูปแบบปฏิบัติอยู่ที่ใจเป็นหลักให้จิตชำนิชำนานสภาวะใดเกิดขึ้นกับจิตแม้แต่เล็กแต่น้อยกนะ็อมองเห็นเพราะว่ามันดูอยู่อายตนะเดียวฝึกอยู่ที่ใจอันเดียวพอมันชำนานจำสภาวะได้แม่นอะไรแปลกปลอมขึ้นในจิตใจก็รู้ไปเรื่อ ย, อยหัดพุดโทโธไปหัดหายใจไปดูท้องพองยุบไปหะไรอยเดินจงกรมก็ได้นะ แ้วอะไรแปลกปลอมขึ้นในจิตเราคอยรู้ทันไปมันชํานาญอะไรแปลกปลอมมา น, นิดเดียวก็เห็นละชํานาญแล้วก็เราก็มาลองของจริงคราวนี้เปิดทวารทั้งหมดเลยตาหูจมูกลิ้นกายใจกระทบอารมณ์นะกระทบอารมณ์แล้วไม่ต้องไปตามอารมณ์ไปทางตาหูจมูกลิ้นกายใจกระทบอารมณ์แล้วอะไรแปลกปลอมขึ้นที่จิตนะให้รู้ทันก็เหมือนตอนที่ปฏิบัติในรูปแบบนั้นแหละตามองเห็นรูปใช่ไหม ความสุขความทุกข์ก็เกิดที่จิตถ้ารูปสวยเห็นของสวยของงามจิตใจก็มีความสุขเห็นของไม่สวยไม่งามจิตใจก็มีความทุกข์ตามองเห็นรูปบางทีก็เกิดกุศลบางทีก็เกิดอกุศลอย่างเห็นพระวินทบาทอย่างนี้บางคนเห็นแล้วเกิดจิตเป็นกุศลบางคนเกิดอกุศลรูปเดียวกันนะบางคนเห็นแล้วเป็นกุศลบางคนเห็นแล้วเป็นอกุศล แล้วแต่แต่ละคนไม่เหมือนกันบางคนเห็นพระบินทบาตแล้วก็ปลื้มใจว่าพระศาสนายังยำดำรงอยู่บางคนไม่ปลื้มใจขอทานมาเดินเกะกะคนที่ไปทำมาหากินะไอ้พวกนี้ไม่ทำมาหากินะมาขอทานอยู่ได้แล้วแต่เนี่ยพอตามมองเห็นรูปเนี่ยจิตเกิดกุศลบ้างเกิดอกุศลบ้างให้เรารู้ทันเดินไปเห็นหมาฝรั่งสวย หมาบางตัวมันสวยจริงนะหน้าตาน่าดูกว่าคนบางคนอีกใครรู้สึกบ้างเห็นหมาบางตัวสวยไหมต้องดูหมาอะไรนะหมาโกลเด้นหมาอะไรนะ อ, อสวยไหมเห็นหมาสวยๆใจมันชอบรู้ว่าใจมันชอบย ไ, ไม่ต้องไปดูที่หมาไม่ต้องไปพิจารณาหมาให้เป็นปฏิกรูนสุภาพหรอกเสียเวลา ใจไปชอบมานะก็พิจารณาหมานี่เป็นปฏิคูณสุภาเวลาอืดแล้วเหม็นอะไรเต้นไม่จําเป็นอันนั้นเรื่องของสมถะมเห็นหมาสวยงามใจมันชอบรู้ว่าใจมชอบเห็นหมาขี่เลือนมาใจรังเกียจรู้ว่ารังเกียจนี่นรู้ทันอยู่ที่ใจหูได้ยินเสียงความรู้สึกมันก็เกิดขึ้นก็รู้ทันความรู้สึกไม่ต้องไป ให้ค่าอะไรกับเสียงเสียงมันมายั่วให้จิตเกิดความรู้สึกขึ้นเวลาเราได้ยินเพลงชาติรู้สึกไง <c oughs> รีบจำๆเลยบางที <c oughs> ถ้าอยู่เดินๆอยู่นั้นได้ยินเพลงชาติรีบหนีถ้าไปอยู่ต่างประเทศได้ยินเพลงชาติไทยนะจะปลื้มน้ําหูน้ําตาไหลนะยืนฟังด้วยความซาบซึ้งเกิดมาชาตินี้ไม่เคยฟังเพลงชาติพลอเท่านี้เลย <c oughs> นี่หูได้ยินเสียงนะความรู้สึกยังไม่เหมือนกันเลยเสียงอย่างเดียวกันนะคนละเวลาคนละสถานที่นะความรู้สึกยังแตกต่างกันเลยมันน่าเรียนนะ<ม>ในเรื่องใจของเราเนี่ยมันพิสดารได้ขนาดนี้ไม่ใช่ได้ยินเสียงอย่างนี้จิตจะต้องเป็นอย่างนี้เสมอไปไม่ใช่ขึ้นอยู่กับเวลาขึ้นอยู่กับสถานที่ขึ้นอยู่กับบุคคลอยู่กับแฟนฟังเพลงเศร้าๆนะไม่เศร้าใช่ไหม แฟนทิ้งไปฟังเพลงเศร้าเนี่ยโอ้ยเศร้ามากเพลงไม่เศร้าก็ฟังแล้วอย่างเศร้าเลยนะความรู้สึกเนี่ยโอได้ยินเสียงความรู้สึกก็เปลี่ยนให้รู้ทันความรู้สึกของตัวเองไปจมูกได้กลิ่นความรู้สึกก็เปลี่ยนได้กลิ่นเหม็นใจก็ไม่ชอบได้กลิ่นหอมใจก็ชอบเนี่ยมีใจชอบขึ้นมาก็รู้ทันใจไม่ชอบก็รู้ทันกลิ่นอย่างเดียวกันคนละเวลาคนละสถานที่ความรู้สึกก็ไม่เหมือนกัน อย่างอยู่บ้านนะได้กลิ่นอะไรเน่าๆในบ้านเรานะ่ไม่สบายใจโมส่หนูมาตายหรือตัวอะไรมาตายจิ้งจกมาตายอะไรนี่ไม่สบายใจต้องเที่ยวหามาอยู่วัดเนี่ยได้กลิ่นเน่าๆจะไม่รู้สึกอย่างนั้นหรอกจะไม่จะเปลี่ยนความรู้สึกนะันเป็นกลัวแทน <c oughs> ผีจะมาแล้ไม่คิดเถองหนูตายนะคิดถึงผีจะมาละวหวาดระแวง ทำไมตามวัดผีเยอะที่บ้านไม่มีผีหรอเข้าใจผิดแล้วผีมันไม่ได้มีพาสปอร์ตนะต้องไปไหนต้องขออนุญาตไม่ต้องมีบีซ่าผมอยากไปไหนผมไปไม่กลัวผีเฉพาะกลางคืนกลางวันไม่กลัวจริงกลัวความมืดความมืดแล้วจินตนาการอย่างตามวัดเนะี่ยคนมาอยู่วัดนะกลัวผีอยู่บ้านมันคุ้นเคย ได้ยินเสียงอะไรกุกๆเนีที่หน้าต่างนะ้วรู้ว่านี่มีจิ้งจกมีอะไรมาได้ยินเสียงกุ๊กๆในกุฏินะคิดถึงผีมาเคาะประตูจริงก็ไอ้จิ้งจกนั่นแหละเสียงอย่างเดียวกันนะคนละที่ความรู้สึกก็ไม่เหมือนกันให้รู้ทันที่ความรู้สึกของเราไม่ต้องไปนั่งวิเคราะห์วิจัยวิจารณ์รู้เสียงอะไรอะไรเนี่ยเสียเวลาให้คอยรู้ทันใจของเราเองไปจมูกได้กลิ่นลิ้นได้รส กายกระทบสัมผัสก็รู้ทันความรู้สึกที่เปลี่ยนแปลงอย่างเวลาพัดลมพัดมาถูกตัวเรามีความสุขหรือมีความทุกข์มีความสุขหรือไม่แน่ถ้าอากาศหนาวๆพัดลมพัดมานะมีความทุกข์ไหมคนละเวลาคนละสถานการณ์พัดสาอันเดิมนหละความรู้สึกยังเปลี่ยนเลยเราก็รู้ทันไปอากาศกำลังหนาวจัดใครว่าบ้ามาเปิดพัดลมหงุดหงิดนะ โมโหไอ้คนที่นั่งข้างๆดันไปเปิดพัดลมได้หนาวจะตายใจมีโทสะพ่อหน้ร้อนนะอยากได้พัดลมเอาไอ้คนนี้มันไม่รู้จักเปิดพัดลมจะเไ็มินมโง่อย่างนี้พัดลมก็มีไว้ให้เปิดก็โมโหได้อีกเนี่ยอากาศเย็นเจอพัดลมแล้วไม่ชอบอากาศร้อนเจอพัดลมแล้วชอบใจชอบใจไม่ชอบพอ ร, รู้ทันรู้ทันอยู่ที่ใจของเราเนี่ย เวลาใจมันคิดความรู้สึกมันก็เปลี่ยนเหมือนกันไม่จำเป็นว่าต้องเปลี่ยนเพราะตามองเห็นรูปหูได้ยินเสียงจมูกได้กลิ่นลิ้นได้รสกายกระทบสัมผัสใจคิดนึกนี่แหละความรู้สึกเปลี่ยนไวมากเลยอย่างเรานั่งรถไปขับรถอยู่มีคนปาดหน้าใครเคยถูกปาดหน้าแล้วโกรธไหมมีไหยกมือซิมีไหมไม่โกรธก็ผิดปกติ สังเกตไหมเราไม่ได้โกรธตอนที่เขาปาดหน้าเราโกรธหลังจากคิดนิดหนึ่งก่อนต้องคิดก่อนถ้าเรากําลังใจลอยฟังซีดีหลวงพ่อแล้วก็กลังฟังธรรมะเพลิดเพลินแะล้วมันปาดหน้านะั้นไม่สนใจแต่พอเห็นเขาปาดหน้านะใจเราคิดแน่สักแค่ไหนรีบไปไหนคนไม่มีมา ร, รยาทต้องคิดในทางลบนะคิดในทางลบเนี่ยพยาบาทวิตก คิดอย่างนี้โทสะก็เกิดเลยนะอีกวันหนึ่งเรากำลังอารมณ์ดีๆนะเห็นคนขับรถพลูดพลาดนะมองไปแล้วใจมันก็คิดโอ้เขาคงจะมีธุระรีบร้อนน่าสงสารยอมหลบให้เขาไดนะ้ความรู้สึกสถานการณ์แบบเดียวกันนะความรู้สึกยังไม่เหมือนกันเลยนะต่างกรรมต่างวาระต่างความรู้สึกนั้นจิตใจนี่เป็นของอาศจรรยนะ์แปลก ประหลาดมหัศจรรย์มากเลยมันพลิกแปลงกลับกรอกได้มากมายให้เราคอยรู้ทันความพลิกแปลงกลับกรอกของใจเราไปเนืองเนืองหรือเคยแม้อยู่ๆดีๆไม่ได้เจตนาเลยจิตมันก็จําหน้าของคนคนหนึ่งขึ้นมาได้คนนี้เราไม่ได้นึกถึงเลยนานมากแล้วไม่เคยคิดถึงเลยอยู่ๆหน้ามันก็โผล่ขึ้นมาหน้าเขาโผล่ขึ้นมาแล้วตรงที่หน้าเขาโผล่ขึ้นมาเนี่ย ใจยังเฉยๆอยู่ต้องคิดนิด น, นึงนึกออกไหมคิดว่าอีนางนี่มันโกงแชร์เราแต่ก่อนเนี่ยลืมไปตั้งนานแล้วนะหรือว่าคนนี้เราเคยรักมาก่อนนะเคยหักอ ก, อกเราอะไรเงี้ยนะใจก็โกรธขึ้นมาได้อีกใจก็เสียใจได้อีกนะทั้งๆที่เรื่องผ่านไปนานแล้วนะใจมันผุดความจำขึ้นมาเท่านั้นเองความรู้สึกก็เปลี่ยนได้นะก็ปุงความรู้สึกขึ้นมาได้ เนี่ยจิตใจเป็นของที่แปลกประหลาดกลับกรอกยอกย้อนควบคุมไม่ได้มันจะสุขหรือมันจะทุกข์มันจะดีหรือมันจะชั่วเราสั่งไม่ได้มันเกิดจากองค์ประกอบจำนวนมากเกิดจากองค์ประกอบจานวนมากถ้าพูดภาษาพระเขาบอกว่าเกิดจากปัจจัยจำนวนมากงานที่มากระทบกว่าที่จิตจะโกรธขึ้นมาเนี่ยมีองค์ประกอบจำนวนมากที่ทำให้โกรธขึ้นมาในขณะนี้แหละ มีองค์ประกอบจํานวนมากที่ทําให้เกิดสติหรือเกิดสมาธิมีองค์ประกอบจํานวนมากทําให้เกิดศรัทธาหรือเกิดความเพียรเกิดโลภะเกิดโทสะเกิดโมหะเกิดฟุ้งซ่านเกิดหดหู่กว่าจะจิตใจจะมีสภาวะอันใดนหนึ่งขึ้นมานี่มีองค์ประกอบทั้งเยอะเลยมาช่วยกันปลุงขึ้นมาองค์ประกอบทั้งหลายนั้นเป็นสิ่งซึ่งเราบังคับไม่ได้ อย่างตาเราจะมองเห็นรูปที่สวยหรือรูปที่น่าเกลียดรูปที่สะอาดสะอ้านหรือรูปหน่าขยักขยงเราเลือกไม่ได้มีรูปมาให้เห็นในขณะนั้นถ้าไม่มีแสงสว่างพอมีรูปมา ก, ก็มองไม่เห็นนี่กว่าจะเห็นได้ก็หลายอย่างในขณะนั้นต้องไม่เหมาลอยนะใจสนใจที่จะดูรูปมันถึงจะเห็นรูปนั้นกว่าที่ การเห็นจะเกิดขึ้นกว่าที่การได้ยินจะเกิดขึ้นก็มีองค์ประกอบหลายตัวจากการเห็นการได้ยินการคิดนึกนั้นกว่าจะเกิดความรู้สึกทางใจก็มีกระบวนการของมันอีกแต่ละอันแต่ละอนนั้นล้วนจะเป็นสิ่งที่เราห้ามไม่ได้บังคับไม่ได้ทั้งสิ้นเลยนี่เรามาเรียนรู้ของจริงในในในใจของเรานี่เรียนให้มากนะหลวงพ่อเน้นมาที่ใจเพราะว่าคนรุ่นเราเนี่มันเป็นคนที่คิดมาก พวกคิดมากเรื่อพวกทิฐิจริตเจ้าความคิดเจ้าความเห็นกรรมาฐานที่เหมาะกับคนเจ้าความคิดเจ้าความเห็นก็คือการดูจิตของตนเองเห็นแต่ความเปลี่ยนแปลงตลอดเวลาเลยส่วนน้อยนะยุคนี้ก็ยังมีพวกรักสุขรักสบายรักสวยรักงามก็มีไม่ใช่ไม่มีเลยพวกนี้เหมาะที่จะดูกายนะเอากายเป็นฐานไว้แต่อย่างน้อยส่วนใหญ่นะ ถึงจะรักสุรักสบายรักสวยรักงามนะโดยนิสัยของคนรุ่นนี้ยังไงก็เจ้าความคิดเจ้าความเห็นมันจะกลายเป็นนิสัยผสมผสานถึงจะรักสวยรักงามนะั้นก็เจ้าความคิดเจ้าความเห็นนะงั้นถึงมาดูกายสักช่วงหนึ่งนั้นจะเข้ามาดูจิตอัตโนมัติได้ยังไงมันก็หนีการดูจิตยากคนรุ่นเหล่านี้แต่พวกดูกายนะสุดท้ายมันก็ลงมาที่จิตนะถึงจะดูกายสุดท้ายก็ลงที่จิต กุศ ล, ก, ก, ก, ล ก, ก, ก, ก็เกิดที่จิตอกุศลก็เกิดที่จิตมรรคผลก็เกิดที่จิตนิพพานนั้นรู้แจ้งได้ด้วยจิตแล้วพ่อไม่ได้ใช้คําว่านิพพานเกิดที่จิตนั่นนิพพานไม่เกิดสิ่งใดเกิดสิ่งนั้นดับสิ่งใดไม่เกิดสิ่งนั้นไม่ดั บ, ง, ด ง, ดบงั้นเราเรียนรู้เข้ามาให้ถึงจิตถึงใจของเราเองเห็นความเคลื่อนไหวเห็นความเปลี่ยนแปลงในจิตเมื่อตาหูจมูกลิ้นกายใจกระทบอารมณ์นะจิตก็มีความเคลื่อนไหวเปลี่ยนแปลง ดูไปเรื่อยวันหนึ่งปัญญามันเกิดมันจะเห็นเลยว่าจิตนี้เป็นของไม่เที่ยงเดี๋ยวสุขเดี๋ยวทุกข์เดี๋ยวดีเดี๋ยวร้ายสุขก็ชั่วคราวทุกข์ก็ชั่วคราวดีก็ชั่วคราวร้ายก็ชั่วคราวจิตไปดูก็ชั่วคราวจิตไปฟังก็ชั่วคราวจิตไปคิดก็ชั่วคราวมีแต่ของชั่วคราวนะหรือดูไปจิตนี้ถูกตันหาบีบคั้นอยู่ตลอดเวลาผล fridge, ักดันอยู่ตลอดเวลาแล้วจิตที่สุข ความสุขนั้นก็ทนอยู่ไม่ได้นานนะความสุขมันเกิดจากเหตุถ้าเหตุของมันหายไปความสุขมันก็พล่อยหายไปด้วยอย่างเราเห็นคนสวยเดินมานะใจเราชอบเราเห็นแล้วมีความสุขมีองค์ประกอบคือมีคนสวยมาให้ดูคนสวยมันมีขาเดี๋ยวมันก็เดินไปนะรูปนั้นหายไปแล้วเราจะไปสั่งว่าเธออย่าเดินนะั้นเธออยู่ตรงนี้ตลอดฉนันจะดูเธอตลอด เ, ลนะเราสั่งเขาไม่ได้เนี่ยมันมีปัจจัยที่เปลี่ยนแปลงไปเพราะนั้น ความสวยงามนะหรือความสุขที่เกิดขึ้นในจิตใจเราเนี่ยความสุขที่เกิดขึ้นในจิตใจเราเนี่ยอยู่ชั่วคราวอย่างถูกบีบคั้นอยู่ตลอดเวลาเพราะปัจจัยทั้งหลายที่ทำให้ความสุขเกิดขึ้นเนี่ยมันเคลื่อนไปมันเคลื่อนไปมันเปลี่ยนไปเวลามีแฟนรู้สึกัหมมองหน้าได้ทั้งวันรู้สึกั้มมีความสุขใช่ไหมพอแต่งหลายหปีนะหน้าตาเป็นยังไงนึกไม่ออกนึกไม่ออกนะ ทำไมดูแล้วไม่มีความสุขเพราะความสุขนั้นมันเคลื่อนไปเวลามันเปลี่ยนไปนเปลี่ยนเนี่เรามาดูนะว่ากระทั่งความสุขในใจเรานะก็ไม่เที่ยงมีแล้วก็หายไปเป็นทุกข์คือถูกบีบคั้นอยู่ตลอดเวลาเพราะเหตุปัจจัยของมันเปลี่ยนแปลงเคลื่อ น, นไปเรียกว่ามันเป็นทุกข์มันทนอยู่ไม่ได้จริงหรอกนะมันถูกบีบคั้นแล้วมันเป็นอนัตตา หมายถึงว่ามันไม่อยู่ในอำนาจของเราเราจะสั่งให้จิตมีความสุขตลอดเวลาเราสั่งไม่ได้สั่งให้ความสุขมาก็ไม่ได้ความสุขมาแล้วห้ามไม่ให้มันไปไหนสั่งให้มันอยู่ตลอดก็สั่งไม่ได้ทำไมสั่งมันไม่ได้เพราะมันเป็นไ ป, นปนตามเหตุแล้วเหตุนั้นเราบังคับมันไม่ได้ควบคุมเหตุมันไม่ได้หมดควบคุมองค์ประกอบมันได้ไม่หมดคุมได้บางตัวชวั่วครั้งชว่วคราวอย่างตามมองเห็นรูปเนี่ยตมีจิตเกิดที่ตา เราบังคับจิตให้เกิดที่ตา ย, ยังไม่ได้เลยเห็นไหมว่าเรามองพระพุทธรูปเราเห็นชัดแค่แว บ, บเดียวเองหรือมองหน้าหลวงพ่อนะเราเห็นชัดแว็บเดียวอยากจะเห็นชัดตลอดเวลายังเห็นชัดตลอดเวลาไม่ได้เลยลองดูสิลองดูพระพุทธรูปนะจะ เ, เห็นไหมเราที่เห็นชัดขึ้นมาเพราะเราขยับขยับตาของเรานะขยับปรับการดูเป็นระยะระยะระยะ เห็นไหมตาที่เป็นของสั่งไม่ได้เอาพอแล้วเดี๋ยวพระเสื่อมหมด <c oughs> ฟังละคังดูจิตไหวไหม <c oughs> รู้สึกไหมเสียงละคังมากระทบใครเห็นจิตที่ไหวบ้างมีไหม จริงๆนจิตเนี่ยนะบอบบางมากเลยตามองเห็นรูปจิตก็ไหวนะหูได้ยินเสียงจิตก็ไหวจมูกได้กลิ่นลิ้นได้รสกายกระทบสัมผัสใจคิดนึกปรงแต่งจิตก็ไหวจิตเป็นของที่ละเอียดอ่อนบอบบางมากเลย น, นั่นมาคอยเรียนรู้มันนะจิตเป็นอนัตตาสั่งไม่ได้ควบคุมไม่ได้บังคับไม่ได้แต่จิตเป็นธรรมชาติที่ฝึกได้นะ จิตคล้ายๆเด็กคนหนึ่งเด็กดือ้อเด็กดื้อเนี่ยเราสั่งมันไม่ได้อย่าขี้เกียจมันจะขี้เกียจอย่าเล่นเกมมันจะเล่นเกมสั่งมันไม่ได้แต่ว่าฝึกอบรมได้ให้การศึกษาได้เราสั่งให้ลูกฉลาดไม่ได้นะแต่เราให้การศึกษาได้แล้วลูกเขาฉลาดของเขาเองจิตนี้ก็เหมือนกันเป็นธรรมชาติที่เราสั่งไม่ได้แต่เราให้การศึกษาได้ วิธีให้การศึกษาก็คือนี่แหละมีสติครรู้ทันความเคลื่อนไหวเปลี่ยนแปลงของข้อล่อยๆนะเรียนรู้ตัวนี้ให้มากเลยให้ตาหูจมูกลิ้นกาใจกระทบอารมณ์ไปตามธรรมชาติธรรมดานะกระทบอารมณ์แล้วเกิดสุขให้รู้เกิดทุกข์ให้รู้เกิดกุศลให้รู้เกิดอกุศลให้รู้จิตไปทางตาจิตไปทางหูจิตไปทางจมูกทางลิ้นทางกายทางใจให้รู้นะรู้ไปนานไปหลายเดือน บานคนก็รู้กันเป็นปีว่าหนึ่งจิตมันก็ปิ้งขึ้นมามันรู้แจ้งขึ้นมาจิตนี้เป็นของไม่เที่ยงจิตนี้เป็นของบังคับไม่ได้จิตนี้ไม่ใช่ตัวใช่ตนมันจะเห็นเลยว่าจิตนี้ไม่ใช่ตัวตนอะไรที่ถาวรคาว่าตัวตนตัวตนนะไม่ใช่คาว่าตัวกูหรอกตัวตนก็คือหมายถึงสิ่งซึ่งเป็นอมตะมีสิ่งซึ่งเป็นอมตะไม่สูญหายไปนี่ยงเราจะรู้สึกว่าจิตของเราเนี่ย คงทนจิตของเราเดี๋ยวนี้กับจิตของเราตอนเด็กๆเนี่ยเป็นคนเดียวกันจิตของเราตอนนี้กับเย็นนี้ก็ยังเป็นคนเดิมเรายังเป็นคนเดิมความรู้สึกว่ามีสิ่งซึ่งคงที่อยู่เียเรียกว่ามีอัตตาย่งเห็นว่าเป็นอัตตาร่างกายนี้เห็นได้ง่ายว่าไม่ใช่อัตตาเพราะร่างกายนี้มันแปรปรวนให้ดูได้มันแก่มันเจ็บมันตายให้ดูง่าย แต่จิตใจเนี่ยมันเกิดดับรวดเร็วมากแล้วเป็นของประนีตยากมากที่เราจะเห็นความเกิดดับของจิตความเปลี่ยนแปลงของจิตพระพุทธเจ้าบอกว่าปุถุชนที่ไม่ได้สดับนะอย่างคนของาศาสนาอื่นปุถุชนไม่ได้สดับเนี่ยสามารถเห็นได้ว่ากายนี้ไม่ใช่ตัวเรานะแต่มีแต่ในธรรมวินัยคําสอนของท่านนี้เท่านั้นแหละถึงจะพาให้เราเห็นได้ว่าจิตนี้ก็ไม่ใช่ตัวเราไม่ใช่ตัวตน เพราะเป็นของที่เกิดดับตลอดเวลาะงั้นปฏิบัติทำรรอย่างที่หลวงพ่อบอกให้นะหัดดูสภาวะที่เกิดขึ้นกับใจสม่ำเสมอไปทุกวันทําในรูปแบบไหว้พระสวดมนต์เสร็จแล้วนั่งสมาธิเดินจงกรมรู้ทันจิตใจไปในขณะนั้นทําในรูปแบบเนี่ยก็จะตัดผัสสะบางส่วนออกไปอย่างเวลาเราเดินเดินอยู่ที่เดียวไม่ซ้ําไปซ้ามาไม่มีผัสสะใหม่ไม่มีสิ่งที่มายั่วยวนมากมันก็ดูง่าย ถ้าด mm ูชำนาญแล้วเนี่ยออกมากระทบโลกจริงๆให้ทวารทั้ง6มันทํางานแล้วทวารทั้ง6ทํางานแล้วรู้ทันความเปลี่ยนแปลงของใจไปเราจะเห็นนีความเปลี่ยนแปลงของใจในจิตนี้เกิดดับตลอดเวลาเนี๋ยวจิตก็สุขเดี๋ยวจิตก็ทุกข์เดี๋ยวจิตก็ดีเดี๋ยวจิตก็โลภเดี๋ยวจิตก็โกรธเดี๋ยวจิตก็หลงเดี๋ยวจิตก็ไปดูเดี๋ยวจิตก็ไปฟังเดี๋ยวจิตก็ไปคิดการที่เห็นซ้ําๆนะ7วัน7เดือน7ปีอะไรเนี่ยมันหายโง่ มันงขึ้นมามันรู้มันอย่าง ร, างรู้ด้วยใจอย่างแท้จริงนะว่าจิตนี้ไม่ใช่ตัวเราหรอกจิตนี้ไม่ใช่อัตตาตัวตนนะไม่ใช่อมตะธาตุไม่ใช่อตมอตาามนะธรรมสิ่งของที่เกิดดับอยู่ตลอดเวลาสิ่งที่ประกอบเป็นเป็นตัวเรานะไม่ว่าจะเป็นร่างกายนะร่างกายนี้ดูง่ายว่ามันต้องตายต้องแก่ความรู้สึกสุขรู้สึกทุกข์คือเวทนาความจำได้หมายรู้คือสัญญา ความปรุงดีความปรุงชั่วนะเช่นโลภโกรดหลงอะไรพวกนี้เรียกว่าสังขารจิตที่รับรู้อารมณ์ทางตาหูจมูกลิ้นกายใจเรียกว่าวิญญาณนะขันห้ารูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณนียเกิดขึ้นแล้วดับไปทั้งสิ้นเลยนะไม่มีอะไรที่ประกอบกันเป็นตัวเราที่จะอยู่คงทนถาวรได้ถ้าเห็นได้อย่างนี้เป็นพระโสดาบันพระโสดาบันท่านเห็นแนละว่า รูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณไม่ใช่ตัวเราไม่มีตัวเราในรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณไม่มีตัวเราในที่ใดนอกเหนือจากรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณอีกเนี่ยเฝ้ารู้เฝ้าดูนะจนกระทั้งใจมันแจ้งในธรรมะชาตินี้อย่างต่ํานะโสดาบันให้ได้อย่างต่ำจะได้ไม่เสียชาติที่เกิดมาเจอพระพุทธศาสนามันไม่ไยาก คนสมัยพุทธกาลไม่ได้เก่งกว่าเราหรอกทำไมคนสมัยพุทธกาลฟังธรรมะแล้วก็ได้พระโสดาเยอะแยะเพราะเขาฟังธรรมะของแท้ฟังจากพระพุทธเจ้าฟังจากพระละหันสาวกของแท้มารุ่นเราเนี่ยฟังของปลอมธรรมะแท้ๆไม่ค่อยมีใครพูดกันมันก็เลยไม่ได้สักทีเข้าไปฟังธรรมก็มีแต่บอกให้นั่งสมาธิทำจิตให้นิ่งนิ่งนิ่งแล้วก็คิด พี่เจรนานโน้นพิจะะนารณานี่เลยมันยังไม่ใช่วิปัสสนาะคนสมัยโน้นเขาฟังธรรมะของแท้เขาไม่ได้เก่งกว่าเราหรอกแต่เขาบุญมากกว่าเราเขาได้ฟังของดีของเราได้ฟังของปลอมเยอนะทําอย่างโน้นเราจะเฮงทําอย่างนี้เราจะเฮงไหมปีนี้ปีชงต้องทําอย่างโ น, น้นะนะก็ชงทุกปีแหละนะ <laughs> ต้องทําอย่างโน้แล้วดีไปมุดใต้ตุนโบดแล้วดีอะไรเงนี้ย เราเสียเราไม่มีโอกาสไม่ใช่เราโง่นะเราไม่ค่อยมีโอกาสได้ฟังธรรมะเมื่อมีโอกาสแล้วอย่าที่โอกาสซะมาดูใจของเราไปเรื่อยนะเราก็จะได้ธรรมะเหมือนสมัยพุทธกาลเขาไม่ได้เก่งกว่าเราหรอกเขามีโอกาสแต่บ่าที่เขามีโอกาสเพราะเขามีบุญนะ <c oughs> ของเราเป็นพวกแม่บุญน้อย <c oughs> หรือพ่อบุญหลง <c oughs> หลงหลงมาอ้าวเชิญไปทันข้าว นี่หมดเลยครับ